สมัยพุทธกาลมีพรามคนหนึ่งเสียพ่อนะพ่อก็อายุมากแล้วแม้ก็ น, นั้นเนี่ยเมื่อพ่อจากไปก็มีความเศร้าโศกเสียใจมากก็อยากจะทำพิธีส่งวิญญาณพ่อนะให้ได้ไปสวรรค์ก็ได้ทราบว่ามี

พระพุทธองค์นะอยู่พักอาศัยนะทรงประทับอยู่ในใกล้ๆที่นั้นเนะขาไม่รู้จักพระสุจ้าหรอกนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นนักบวชที่ผู้คนเคารพศรัทธามากเขาก็เชื่อพระองค์มีบุญบารมีมากพอนะที่จะช่วยให้พ่อเขาเนี่ยให้วิญญาณพ่อเนี่ยได้ไปสวรรค์

ก็ไปทูลให้ผู้เจ้าเนี่ยช่วยส่งวิญญาณพ่อน่ไปสวรรค์ด้วยพระผู้ทรงก็ไม่ปฏิเสธนะแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยให้พรามคนเนี่ยไปหามอดินเผามาสองหม้อหม้อหนึ่งใส่ขวดให้เต็มเลยอีกหม้อหนึ่งก็ใส่เนยนะคนอินเดียนี่เขาอ่ากินเนยกันเป็นอ่าธรรมดา

เป็นอาหารประจำวันของเขาเนยใสยเนยข้นเนี่ยใส่ในหม้อแล้วก็ปิดปากหม้อดีแล้วก็ไปย่อนลงน้ำย่อนเสร็จก็ให้พรามเนี่ยทุบนะทุบหม้อให้แตกพรามก็ทำตามที่ผู้เจ้าได้สั่งแล้วก็ดีใจนะว่าเออช่วยพ่อให้ได้ไปสวรรค์ละเพราะว่า

อทำเนียมของที่นั่นเวลานั้นเนี่ยนเก็มีทำเนียมประเภทว่าพอเผาศพเสร็จก็ตีกระโหลกให้แตกเพราะเชื่อว่าเนี่ยทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยผู้ตาย่จะได้ไปสวรรค์นี่ผู้จ้าก็ชี้ให้ดูนะพอหม้อถูกทุบแตกเนี่ยไอ้กรวดเนี่ยที่อยู่ในหม้อก็จมลงน้ํำส่วนเนยนี่ก็ลอย

นะลอยขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็บอกพรามว่าให้ไปหาพรามที่มีชื่อนะผู้ทำพิธีเนี่ยมาช่วยมาทําให้กรวดเนี่ยมันลอยขึ้นมาเหนือน้ำนะแล้วก็ให้เนยเนี่ยมันจมลงไปในน้ำพรามก็บอกเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ากรวดยีงก u ต้องจมน้ำสิส่วนเนยมันต้องลอยน้า

ผู้เจ้าก็เลยตัดว่าเนี่ยก็เหมือนกันนั่นนะคนที่ทำชั่วเนี่ยนะวิญญาณก็ต้องนะไปสู่อาบายสู่นรกไม่มีใครที่จะฉุดให้ขึ้นมาพ้นจากนรกหรือไปสวรรค์ได้ส่วนคนที่ทำความดีเนี่ยเมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องนะไปสู่สุขติ

ไม่มีใครนะจะชดให้ลงไปสู่อบายหรือนรกได้สรุปก็คือผู้เจ้านะนอกจากจะไม่ได้ทำตามคำขอของเขาแล้วก็ยังชี้ให้เขาเห็นว่าคนเรานี่จะไปอบายนะหรือว่าไปสวรรค์ไปสู่สุคติเนี่ยหลังตายแล้วเนี่ยนะมันไม่มีใครช่วยได้นะ

มันอยู่ที่เจ้าตัวเองถ้าทําความดีสร้างบุญสร้างกุศล น, นะตายไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์ถ้าทําชั่วตายไปแล้วก็ลงนรกนะไ ม, มไม่มีใครหรือคนใดเนี่ยจะช่วยให้ไปสวรรค์ได้ถ้าหากว่าทํากรรมชั่วไว้นะตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยูนะ่อันนี้ก็รวมถึงว่าตอนใกล้จะตายนี่จิตเป็นอกุศลได้นะ

ถ้าจิตเป็น อ, อกุศลนี่ก็ไปอาบายได้โดยเฉพาะถ้าจิตสุดท้ายเนี่ยนะเป็น อ, อกุศลอันนี้ถ้าสมอ ง, งคือเป็นเรื่องของกรรมไข่กรรมมันนะอันนี้พระเจ้าก็ตัดไลวลาแล้วก็สวดอยู่บ่อยๆนะเรามีกรรมเป็นของตนนะกรรมมีกรรมเป็นของตนก็หมายความว่าเราทํากรรมใดไว้ก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้น

ถ้าทำกรรมดีก็ได้ผลคือความดีเช่นความสุขนะถ้าทำชั่วก็ได้ผลคือความทุกขนะ์แล้วก็ต้องพกกับความเดือดเนื้อร้อนใจนะไม่ต้องรอให้ไปนรกเมื่อตายแล้วนะไอตอนที่ยังมีชีวิต อ, อยู่ก็เหมือนกับลงนรกนะเพราะว่าจิตใจรุ่มร้อนส่วนคนทำดีเนี่ยก็ไม่ต้องรอว่าตายแล้วถึงจะไปสวรรค์

ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็เรียกว่าอยู่เย็นเป็นสุขนะนรกมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละนะไม่ต้องรอหลังตายแล้วพรู้ายเรียกว่ามีนรกชนิดหนึ่งเรียกว่าฉะผัสสายตานิ ก, กันนรกนะหมายถึงนรกทั้งหกที่เกิดจากผัสสะนะฉะนี่มแปล่าหกนะผัสสายตานิ ก, กันนรกนรกที่เกิดจากผัสสะ

และไอตนะนะก็คือตาเห็นรูปผู้ได้ยินเสียงนะแล้วเกิดจิตใจรุ่มร้อนหรือเพราะว่าไปทำชั่วมาแล้วถูกคนประนามด่าว่านะต้องถูกจับคุกติดตารางอันนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจหรือแม้แต่ยังไม่โดนถูกจับ

ยังไม่มีใครร่วมรู้นะแต่ว่าจิตใจก็รุมร้อนนะเพราะกลัวว่าเขาจะจับได้กลัวความผิดจะเปิดเผยนะอันนี้ก็นรกแล้วนะอันนรกอย่างนี้น่ากลัวกว่านะเพราะว่าเจอเองเห็นจริงนะไม่มีใครไม่ต้องใช้หลักฐานอ่ามาพิสูจน์ว่าชาตินายมีนรกหรือเปล่านะ

ไอ้นรกข้างหน้านี่ไม่รู้นะแต่นรกในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็รับรู้ได้ถ้าเกิดทำชั่วนะดีย่ยว่าแต่ทำชั่วทางกายวาจาเลยแค่นึกในใจนะก็ทุกข์แล้วไอ้นึกในใจนี่ไม่ได้หมายถึงแค่การมุ่งร้ายทำร้ายหรือว่ามีจิตคิดเปียาบาทนะถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะที่

เลวรลา ย, ย่ำแย่นึกถึงความสูญเสียเงินทองที่ถูกขโมยทรัพย์สมบัติที่ถูกไฟเาผาผลาญเพราะความผิดพลาดของคนบางคนเผลอเลอนะหรือว่านึกถึงคำพูดคำด่านะที่บางคนเขาสาดใส่เราโกรธแค้นอันนี้ก็นรกเหมือนกันนะนรกเหมือนกันนรกมันไม่ได้เกิดจากการทาชั่วที่ไปบียดเบียนเขา

เท่านั้นวางจิตวางใจไม่ถูกนะก็ทําให้จิตมันพลัดเข้าไปในะนรกได้เหมือนกันอันนี้อย่างที่บอลนะว่าเราทั้งหลายเนะี่ยมีการเป็นของตนนะมีการเป็นของตัวนะความหมายเนื้อคือว่าถ้าอยากมีความสุขความเจริญหรือว่าตายแล้วได้ไปสวรรค์นนะก็ต้องทําความดีไม่มีใครจะมาช่วยให้ไปสวรรค์ได้ถ้าเกิดว่าเราทําชั่ว

แต่เรื่องอุทิศบุญกุศลไปให้นี่ทำได้นะค้ายๆเป็นตัวเสริมตัวช่วยนะอันนี้ทำได้นะทำความดีสร้างทำบุญถวายสังกทานเพื่อให้แล้วก็น้อมจิตอุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้ที่ลงลับนะอันนี้ช่วยได้อยู่แต่ว่าถ้าใครเนี่ยเขาไปอยู่ในนรกแล้วเนี่ยลูกหลานจะทำดีสร้างบุญสร้างกุศลนะทำสังกทาน

ยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถจะชดให้ยินยานนะที่อยู่ในนรกเนี่ยมันพ้นจากนรกได้นะจนกว่ากรรมชั่วหรือวิบากนะมันจะหมดไปตอนนี้เนี่ยเรามีกรรมเป็นของตัวเนี่ยนะมันยังมีความหมายว่าเวลาลูกนะเกิดความทุกข์พอไปทำชั่วนะ

แม่เนี่ยอยากจะช่วยลูกยังไงเนี่ยแม่ก็ไม่สามารถจะรับเอาความทุกข์ของลูกหรือถ่ายเทความทุกข์ของลูกมาไว้ที่ตัวเองได้แม่ก็อยากจะช่วยนะเห็นลูกเนี่ยไปทาชั่วทาบาปมานะหรือว่าไปติดยานะลูกเนี่ยก็เหมือนก็ตกนรกนะทั้งเป็นละแม่อยากจะถ่ายเอาความทุกข์ของเขา

มาอยู่ที่ตัวแม่เองนะเพราะความรักของแม่นี่นะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยอมยอมทุกข์เพื่อลูกได้แต่แม่แม่อยากจะทําอย่างนั้นก็ทําไม่ได้นะเพราะว่ากรรมมันเป็นกรรมใครก็กรรมมันนะใครทําอะไรไปก็ต้องรับวิบากนั้นมันก็เหมือนกับว่าลูกเนี่ยนะกินอาหาร

นะกินจนอ้วนเลยนะแม่ก็ห่วงนะว่าถ้าลูกอ้วนนี่เดี๋ยวลูกจะไปโรคหัวใจนะเป็นเบาหวานเนะี่ยเป็นโรคสารพัดนะลูกอยากจะเอาความอ้วนของลูกแม่อยากจะเอาความอ้วนของลูกมาไว้ที่ตัวแม่เนี่ยทําได้ไหมทําไม่ได้นะนี่ขนาดเรื่องที่มันเห็นชัดๆเนี่ยหรือว่าลูกติดยาเนี่ยนะติดยาจนผ่ายพร้อมนะแล้วก็

ลงแดงนะพอไม่ได้กินยาเข้าไปว่าลงแดงแม่นี่อยากจะเอาความทุกข์ของลูกเนี่ยมาไว้ที่ตัวแม่นะแม่ยอมลงแดงแทนลูกนะเพื่อให้ลูกเนี่ยพ้นจากความทุกข์แม่ก็ทำไม่ได้จะเป็นไม่ใช่แม่จะเป็นพ่อหรือจะเป็นคนรักก็ตามนะไม่สามารถจะถ่ายเทเอาความทุกข์นะของ

คนที่ตัวเองรักเนี่ยมาไว้กับตัวได้แม้จะอยากเพียงใดก็ตามแต่ช่วยได้นะช่วยให้คลายความทุกข์ได้เช่นแม่เห็นว่าลูกเนี่ยอ้วนน้ำหนักมากแล้วเนี่ยเออก็อาจจะชักชวนลูกให้ออกกาลังกายหรือว่าอาจจะทำอาหารที่มันมีไขมันน้อยให้ลูกกินนะหรือพาลูกไปอยู่ในถิ่นทีนะ่มันไม่มี อ, อ, อาหาร

ะที่มันผิดหลักอนามัยเนี่ยไม่เย้ายวนลูกเนี่ยนี้ทําได้ช่วยได้นะช่วยให้ความอ้วนนี่ลดลงได้นะแต่อยู่ที่ที่เจ้าตัวนะเจ้าตัวแที่ยังกินแต่อาหารที่มันมีไขมันมีเนื้อนะมีน้ําตาลเนี่ยแม่ช่วยยังไงก็มันไม่มีประโยชน์นะตราบใดที่ลูกยังไม่หยุดกินอาหารแบบนั้นนะ

ก็เหมือนการตอบแบบที่ลูกยังทำชั่วอยู่เนี่ยนะก็ต้องรับผลอย่างบาปนั้นไปไม่มีใครเนี่ยที่จะถ่ายเทรับเอานะความทุกข์ของคนทำชั่วเนี่ยมาไว้กับตัวได้ในทอนเดยวกันเนี่ยนะถ้าเกิดแม่ทำชั่วนะก็ไม่ได้แปลว่าลูกเนี่ยจะต้องรับกรรมของแม่นะ

แม่ทาชั่วแม่ก็ต้องรับกรรมของแม่เองนะอันนี้บางคนไปเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ทําชั่วแล้วนี่ลูกอาจจะรับกรรมนะมันไม่มีใครจะอ่ารับหรือว่าถ่ายเทเอากรรำชั่วของใครของคนอื่นมาไว้กับตัวได้แล้วขณะเดียวกันไอ้ความชั่วที่ใครบางคนทำเอาไว้มันก็ไม่สามารถจะถ่ายเทนะหรือว่าเผลอไปอยู่กับคนอื่นได้

ใครทําชั่วคนนั้นก็ต้องรับกรรมเองแต่ว่ า, าถ้าหากว่าคนที่ทําชั่วนั้นเนี่ยนะเขาเขาไม่ระมัดระวังเนี่ยนะเช่นไปไปทําร้ายคนอื่นนะแล้วคนอื่นแก้แค้นก็อาจจะแก้แค้นด้วยการจุดไฟเผานะเผาทั้งบ้านเลย

นะพ่อต้องการแก้แค้นคนที่เป็นพ่อหรือคนที่เป็นแม่แต่มันก็เป็นไปได้นะที่ลูกอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยนะเช่นอยู่ในบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้เนี่ยนะพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายนะเพราะว่ามีคนแก้แค้นนะบางทีคนที่แก้แค้ น, นก็เคยเป็นเพื่อนนะอาจจะค้ายา ด, ด้วยกันแล้วถูกหักหลังนะก็แก้แค้นด้วยกันจุดไฟเผาเอาระเบิด

เราเบิดโดนลงไปในบ้านเนี่ยอันนี้คนที่ตายก็มีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกลูกไม่รู้อินโออินเนะนะแต่ว่าก็ตายไปด้วยนะอันนี้เนี่ยนะมันก็เป็นไปได้แต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยรับกรรมแทนพ่อแม่อันนี้เราพูดตามภาษาชาวบ้านเราก็อาจจะพูดอย่างนั้นว่าเนี่ยลูกต้องพอยรับกรรมที่พ่อแม่ทําเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะกรรมใครก็กรรมมันนะ

เพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยอาจจะเคยได้ทําอะไรไว้มาก่อนหรือเปล่านะจึงต้องมาพลอยรับกรรมาต้องพลอยเจอเหตุการณ์เดียวกับพ่อแม่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่การเลือกตัดสินใจที่จะอยู่ในที่ที่เดียวกับคนที่ทําชั่วเนี่ยมันก็พลอยจะโดนลูกหลงได้เหมือนกันนะมันก็เหมือนกับพ่อแม่เนี่ยพาลูกมาอยู่ใน

ในถิ่นที่มันมีมลภาวะนะมีมีสารพิษเยอะนะแล้วก็ลูกวันดีคืนนีก็เป็นมะเร็งอ่ะเพราะว่าไอสารพิษที่สะสมในร่างกายที่เกิดจากอากาศบ้างเกิดจากน้ำเป็นพิษบ้างเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าการที่มาอยู่ในถิ่นที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็สามารถจะ

ต้องรับโทษหรือว่าเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นการที่ลูกเนี่ยมาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งทําชั่วเนี่ยนะบางทีไอ้ความเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่มก็พลัดไปตกอยู่กับลูกด้วยแต่ น, นี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นอ่าแต่อย่าไปเข้าใจว่าเนี่ยความไอ้กรรมของพ่อแม่มันไปลงกับลูกนะมันไม่ใช่หรอกนเรื่องกฎแห่งกรรมมันมี

มันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นเยอะนะึ่งบางทีก็ต้องอาศัยความรู้ที่อย่างลึกนะพรุทธเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยผลแห่งกรรมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องอจินไตยอจินไตยหมายมความว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะ อ, อย่างรู้เข้าใจได้ด้วยเหตุผลนะอย่างเดียวความรู้ของมนุษย์หรือว่าปัญญาของมนุษย์เนี่ย

มันไม่สามารถที่จะอย่างรู้ไปได้ถึงเพราะว่ามันปเป็นรื่ละเอียดต อ, อนเช่นเดียวกับเรื่องกําเนิดโลกกําเนิดจั ก, กรวาลเนี่ยแม้วันนี้จะมีความรู้มากมายนะเกี่ยวกับเรื่องกําเนิดจั ก, กรวาลแล้วแต่มันก็จะมีข้อสงสัยมากมายนะที่บรรลุแล้วก็พยายามที่จะหาคําตอบแต่ว่าเรื่องแบบนี้นี่บางทีหาไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็เกิดคําถามมากขึ้นเจอคําตอบนี้ก็เจอคําถาม

อีกหลายคําถามตามมามัน จ, จะเป็นความรู้ที่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้แม้จะมีวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าก็ตามเมื่อเร็วๆนี้มันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อเป็นภาษาถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าสิ่งที่เราไม่อาจรู้ได้คนเขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามอธิบายว่าอย่าไปคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะให้คําตอบได้ทุกเรื่องมันจะมีบางเรื่อง

และอาจจะหลายเรื่องได้ด้วยก็ได้ที่ไม่ว่าจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แค่ไหนก็หาคำตอบไม่ได้ความแบบเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยการที่มนุษย์จะเข้าใจแต่นี้หมายถึงการเข้าใจด้วยด้วยปัญญาด้วยเหตุ ด, ด้วยผลนะแต่มันยังมีการเข้าใจเข้าถึงความจริงได้ด้วยยานนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่วิทยาศาสตรนะ์จะเข้าใจได้นะ

แม้กระทั่งความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยนะจะให้ใช้เครื่องวัดอย่างไรเพื่อจะวัดความทุกข์ของมนุษย์ก็วัดยากนะแม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความรักนะความเมตตาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ก็เข้าใจได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องนามธรรมอันนี้เนี่ยนะให้เราเข้าใจนะว่ า, าแม้ว่าเรื่องกรรมจะเป็นเรื่องยากนะที่จะเข้าใจให้ท่องแท้

นะแต่มันก็มีเป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องความบังเอิญนะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกับทั้งสิน้นคนบางคนทำดีแต่ทำไมตกนรกอันนี้ก็มีเหตุปัจจัยนะอย่างเช่นนางมริกาเทวีเนะี่ยเป็นมาเหสีพระเจ้าประสานที่ก่อสนเป็นคนดี

ชักชวนใหพระเจ้าประรสิธิ์ที่ก่อสนะหันมาทําบุญทําทานหันมามีศรัทธาในพระรัตนตรัยนะแต่ไม่ถึงกับระดับพระเจ้ า, าพิมพิสารนะเจ้าพิพิสารนี่ศรัทธามาจนกระทั่งเข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันนะแต่พระเจ้าประรสิธิ์ที่กศอนี่ยังไม่จิตใจยังเหมือนบุตรชนยังมีความกลัวความหวาดระแวงแล้วก็มีความเพี่ยมโหดด้วยนะขนาดฆ่าฆ่าเพื่อน

นะซึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานานเพราะความระแวงฆ่าเพื่อนแล้วก็ลูกอีก32คนของเพื่อนตายเกลี้ยงเลยนะเสนาบดีชื่อพันธุลละนะอันนี้เป็นเพื่อนสนิทมากเรียนมาด้วยกันแตโ่โดนคนเป่าหูเนี่ยก็ระแวงแล้วก็ฆ่าสุดท้ายก็ตายอย่างอนาถนะจย่างไรก็ตามเนี่ย

นางอเมริกาทีวีก็ช่วยให้พระเจ้าประสิทธโกศน์หันมาทําบุญนะสร้างกุศลได้เยอะทีเดียวแล้วนางอเมริกาทีวีก็เป็นที่รักของพระเจ้าประสิทโกศนมากแต่วา่าเธอตายตั้งแต่ยังสาวนะยกกุคยี่สิกว่าสามสิบกว่าก็ตายแะ้วบอกว่าตายแล้วนี้ลงนรกนะลงนรกลงนรกก็เพราะว่าก่อนจะตายเนี่ยนะจิตใจเนี่ยนึกถึงความผิดที่ได้ทําเอาไวนะ้เนี่ย

เป็นความผิดเล็กๆใน้อยคือไปโกหกพระเจ้าปเสนทิโกศลในเรื่องที่มันน่าอับอายนะเป็นเรื่องที่น่าอับอายนะก็พระเจ้าปเสนทิโกศลก็เห็นนะแต่ว่านามอเมริกาทีวีก็โกหกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ทรพระเจ้าปเสนทิโกศลเห็นพระเจ้าปเสนทิโกศลตาฟ้าฟางหรือว่าเห็นคาดเคลื่อนไป

พรเจับปเสนีโกสิ่ก็เชื่อนะรอดตัวไปแต่ตอนนางจะตายเนี่ยไป น, นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกจิตเศร้าหมองที่โกหกนะมุสาวา่าปล่อยวางไม่ได้นะก็เพลินไปจิตสุดท้ายพอดีนะอาสันกรรมเนี่ยนะเป็นเป็นกรรมที่ให้ผลทันทีนะถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปอบายทันทีถ้าจิตเป็นกุศลก็ไปสุขติทันทีเหมือนกัน

น่อจากนะจิตสุดท้ายหรืออาสันลกกรมของนามเมริกาเทวีเนี่ยไปน่วงเหนียวอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความเศร้าหมองอารมณ์ที่เศร้าหมองเนี่ยก็เลยไปอาบายเลยลงนรกเจ็ดวันนะแต่ความดีที่ได้ทำเอาไว้นะก็หนุนส่งให้ได้หลุดจากนรกะขึ้นสวรรค์นในที่สุดนั่นก็เป็นไปได้นะว่าน้คนทำดีแล้วเนี่ยลงนรกนะแต่นั้นเพราะ

ไม่ใช่เพราะความดีที่ได้ทําแต่เพราะว่าอจิตสุดท้ายเนี่ยนะเป็นอกุศลพูดง่ายคือวางใจไม่เป็นนะทําจิตไม่ถูกก็สามารถจะส่งผลได้เหมือนกันกรรมทุกชนิดมีผลทั้งนั้นนะนะกรรมบางอย่างให้ผลช้ากรรมบางอย่างให้ผลเร็วกรรมบางอย่างให้ผลทันทีอาสันตกรรมที่ให้ผลทันทีนะพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับบัวที่มันถูกขังอยู่ในคลอกหลายหายตัวเนี่ย

จนแน่นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดประตูคลอกขึ้นมาเนี่ยวัวที่อยู่ใกล้ประตูมากที่สุดเนี่ยก็จะออกมาก่อนแม้จะเป็นวัวแก่ก็ตามก็จะออกมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็หมายความว่ากรรมที่กรรมกรรมที่ทําสุดท้ายเนี่ยหรือท้ายสุดเลยเนี่ยมันจะส่งผลก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกรรมอื่นก็จะส่งผลตามมาถ้าเปรียบก็เหมือนกับรถนะรถที่ติดไฟแดงนะ

ตรงสี่แยกเนี่ยถ้าไฟแดงเปลีป่ยนไปไฟเขียวเนี่ยไอ้คันที่อยู่ใกล้สัญญาณไฟมากที่สุดเนี่ยมันก็จอกก่อนไม่ว่าจะเป็นรถจั ก, กรยานหรือว่ารถสามล้อตุ๊กตุ๊กเนี่ยมันต้องออกมาก่อนนะแต่ละจากนั้นแล้วเนี่ยนะไอ้รถคันหลังเนี่ยถ้าหากว่าเร็วกว่าก็จะแซงไดนะ้เช่นรถเกง๋งนะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่า

รถสิบล้อเนี่ยนะมันเร็วกว่ารถจั ก, กรยานเร็วกว่ารถตุ๊กตุ๊กมันก็แซงนะกรรมก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยก็จะไปแปลกใจนะเอ๊ะทำไมนะคนทํากรรมดีมาทั้งชีวิตเนะี่ยทําไมตายแล้วลงนรกทําไมคนทําชั่วมาตลอดนี่หรือทําชั่วเป็นอา จ, จินทําไมตายแล้วไปสวรรค์อันนี้มันมีเหตนะุเหตุบางอย่างเราก็เข้าใจอธิบายได้แต่เหตุบางอย่างเราก็

ไม่สามารถจะอย่างรู้ได้เพราะเราไม่มีใครรู้หรอ ก, รอกว่าตอนใครตายเนี่ยนะจิตสุดท้ายเขานึกถึงอะไรนะคนธรรมดาไม่รู้หรอกนะจะใช้เหตุใช้ผลว่าทำดีแล้วต้องไปสวรรค์นะอันนี้มันไม่แน่มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่า น, นั้นเยอะนะซึ่งนะจิตของคนเราหรือการใช้เหตุใช้ผลคนเราเนี่ยมันไม่สามารถจะอย่างรู้เข้าถึงได้นะตอเมื่อว่ามีจิตที่

อย่างรู้ภายในเนี่ยนะก็ถึงจะเห็นนะอ๋อจิตสุดท้ายนี่เขาเป็นอกุศลนะเขาก็เลยไปไม่ดีในเรื่องนี้เนี่ยนะก็มีเกร็ดนะตอนที่นางมิเรกามีตายพระเจ้าปเาปเ็นที่กศลก็เศร้ามากเสียใจมากอยากจะรู้ว่านางมิเรกาทวีตายแล้วไปไหนก็เลยไปเฝ้าพระพุทธเจ้าวันรุ่งขึ้น

พระเจ้าเนี่ยก็รู้ว่าถ้าต่อไปนะว่านางมิเรกาเทวีลงนรกเนี่ยนอกจากพระเจ้าเป็นเสนนิโกศนจจเศร้าหมองเสียใจแล้วก็อาจจะเกิดความคลางแคลงว่าทำไมทาดีแล้วไม่ได้ดีทำไมคนดีอย่างนางมิกรคาเทวีถึงลงนรกพระเจ้าตอบความจริงไปก็จะเกิดผลเสียแต่ถ้าโกหกก็ทําไม่ได้นะก็เลย

พอพระเจ้าเป็นสนทีก่อสมาเพื่อจะถามพระองค์ก็ดนบดานให้พระเจ้าเป็นสนิีก่อสลืมถามนะลืมถามสนทนาเรื่องอื่นแทนกลับไปกลับวังก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ได้ถามเรื่องนี้วันรุ่งขึ้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกตั้งใจว่าจะถามเรื่องนี้แหละนามเมเลกาทิวิตาแล้วไปไหนก็ลืมอีกนะเป็นอย่างนี้อยู่เจ็วันเจ็ดครั้งนะ

พอวันที่แปดเนี่ยพระพุทธเจ้านะทราบว่านางอเมริการทีวีเนี่ยนะได้ขึ้นสวรรค์ละคราวนี้พระเจ้าเปชัญกุศลมาถามพรุทธเจ้าก็เลยตอบว่าเนี่ยตอนนี้นางมริการทีวีได้อยู่ในสวรรค์ละพระเจ้าเปชัญกุศลโอ้ดีใจมากปรากปื้มนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องที่อ่าเป็นตัวอย่างนึงนะว่าบางครั้งเนี่ยนะ

เการทําความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความดีมันจะส่งผลทันทีนะอาจจะใช้เวลาแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ส่งผลแต่ถ้าเกิดคนรู้คนรู้ไม่ไม่ละเอียดเพียงพอหรือว่ารู้แค่ขึ้นขึ้ น, นกลางๆเนี่ยก็จะเสียใจอย่างเช่นถ้าประชาชนทุกคนรู้ว่านาอเมริกาทีวีตายลดลงในรกเนี่ยก็จะเสียใจแล้วก็ไม่มีความศรัทธาในกรรม

ศรัทธาในกรรมนี่มันสําคัญนะศรัทธาในกรรมคือศรัทธาหรือความเชื่อว่าทํากรรมดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหรือศรัทธาว่าคนเราจะได้ดีหรือไม่นะั่นยายาขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามขึ้นอยู่กับการกระทําของตนให้ศรัทธาที่สําคัญนะแต่ว่าน้องก็ต้องใส่ความความเข้าความเข้าใจด้วยที่ถูกต้องถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องนะเครื่องกลางๆก็อาจจะเกิดความเสื่อมศรัทธาได้

หรือว่ามองไม่รอบด้านเช่นบางคนทำความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ทำไมงานการไม่ก้าวหน้าเจ้าหนายไม่ไม่เลื่อนชั้นไม่เลื่อนขั้นให้ก็เลยเกิดความลังเลคลางแคลงใจว่าทาดีแล้วไม่ได้ดีที่จริงมันไม่เกี่ยวกันนะกฎแห่งกลับเป็นกฎธรรมชาติถ้าทำเดี๋ยวนั้นก็ได้เดี๋ยวนั้นเลยคือความสุขใจนะส่วน

ทำแล้วเนี่ยคนจะเห็นหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นเขาทำแล้วเจ้าไหนจะเห็นหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องทั้งโลกก็ว่าได้ก็มันก็บที่เคยเปรียบเทียบว่าปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงอันนี้เป็นกฎธรรมชาติปลูกมะม่วงแล้วได้ทุเรียนเป็นไปไม่ได้นะแต่ปลูกมะม่วงได้มะม่วงก็ไม่แปลว่าปลูกมะม่วงแล้วจะรวยให้จะรวยหรือไม่นี่มันขึ้นอยู่กับราคาตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดราคามะม่วงในตลาดเวลานั้น

ไอ้เรื่องราคามะม่วงเป็นเรื่องของสมมติ i, เป็นเรื่องของสังคมนะเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ทางสังคมนะอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะกำหนดราคาไหมว่ามะม่วงต้องราคาเท่านี้หรือขึ้นหรือขึ้นอยู่กับรัฐบาลเนี่ยให้เป็นเรื่องของอ่าเป็นเรื่องของกลไกลตลาดถ้าเป็นถ้าปล่อยให้ราคาถูกกำหนดโดยกลไกลตลาดเนี่ยถ้ามะม่วงเยอะราคาก็ตกถ้ามะม่วงน้อยราคาก็ขึ้นนะ

อันนี้ถ้าเกิดว่ารัฐบาลปล่อยให้ราคามะม่วงเป็นเรื่องกลไกตลาดเนี่ยปลูกมะม่วงก็อาจจะจนได้นะถ้าเกิดว่ามะม่วงล้นตลาดนะเว้นแต่ว่ารัฐบาลกําหนดราคามะม่วงว่าโอ้ลูกหนึ่งราคาหนึ่งร้อยอ่าปลูกมะม่วงเยอะก็รวยนะใครปลูกน้อยก็รวยน้อยใครปลูกมากก็รวยมากเพราะรัฐบาลกําหนดราคานะซื้อทุกลูกนะลูกละร้อยนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมนะไม่ใช่เรื่องกฎธรรมชาตินะ

แค่ทำดีก็ต้องได้ดีนะแต่ทำดีแล้วไม่ได้แปลว่าจะรวยหรือว่าจะมีจะมีคนยกย่องนับหน้าถือตาอันนี้เป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องค่านิยมต้องแยกกันนะเอาแล้วก็พูดกันเท่านี้อ่อก็เตรียมลาสิง